อินนั้ลฮะมดุล illah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ال um ah um ah l um a h u m u r s a ح n a ala Muhammad wa a و َ م َ ن ْ ت َ ا ب ِ ع ه ُ م ْ بِإِحْسَانٍ ل ِ ل َ ي َ و ْ م ا ل د ِ ي ن ِ رَبِّ ش ْ ر َ ح ْ لِي صَدْرِي و َ ي َ س ر ْ لِي أَمْرِي و َ ح ْ ل ُ ا ل ْ ع ُ ق د َ ة َ م ِ ل س َ ا ن ِ ي يَقْهُ قَوْلِي ا ل ل ه م ب ِ ك َ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أ َ م ْ س َ ن َ ا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ ن َ ح ْ ي و ل ك ا ل ن ش و ر اللهم um il ah u ن ت ربي لا r ل ه b ل ا a ن ت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك مستطعت ا ا أبوهلك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أبوه بذنبي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إلا a ن ت اللهم h إني أعوذ بك من شر ما ص ن ع ت ه แสดงมาไดุ้ะรมะตุลลอฮบารากาตุพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพี่น้องที่ร่วมนมาดจามะฮ์ที่มัสยิดในเวลาซุบฮ์ a l m d u l i a h ต้องชูกรต่อ a l l a ขอบคุณ a a h سبحانه และ ت ที่ a ล l a h ให้เรามีชีวิตมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ เพื่อเป้าหมายก็คือเพื่อให้เราได้ได้ดูแลตัวเองเช็คเช็คตัวเองให้ดีสํารวจดูตัวเองให้ดีไม่ให้ทรยศต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ดูแลตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีแต่ตักว่ามีอีมานเป็นคนที่ ทำความดีการทำความดีต้องฝืนอารมณ์ทั้งหมดนะไม่มีความดีข้อไหนเหลยที่ทำแล้วไม่ต้องฝืนอารมณ์มีตอนกินข้าวนั่นแหละแล้วก็ตอนนิกะมาต้องฝืนอารมณ์ตมตางอารมณ์แต่อระค์ก็ให้แต่เล็กน้อ ย, อยไม่ได้ให้เยอะแต่ส่วนใหญ่นี่ให้เพื่ออะไรนะเพื่อให้เราเนี่ย รับความดีมาก็ต้องดูแลความดีที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีขอบคุณอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะกตาลาที่เราได้ทบทวนเนี่ยนะอ่านอัลกุรอานมาถึงสูร้อนนัชลูออนนัชลูแปลว่าพึ่งอนนัชลูแปลว่าพึ่ง แล้วเราสั่งให้เราเนี่ยดื่มน้ำผึ้งพอน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์ชีฟาอุลลินนาสในภาษากุรานที่เร า, าอ่านผ่านมาเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ขอทบทวนนิดหนึ่งนบีเนี่ยจะดื่มน้ำผึ้งเป็นประจำบรรดาสหายท่านนาบีก็ดื่มน้ำผึ้งเป็นประจํา แล้วก็ดื่มนมอูดนมอูดนี่มีมีบารากัดเยอะแล้วก็ดื่มนมแพะน บ, บีเลี้ยงแพะเจ็ดตัวแต่น บ, บีมันจะเลี้ยงเองนะนะั้นให้อุมมุฮานีเนี่ยเป็นคนเลี้ยงน บ, บีก็ดื่มนมทุกวันดื่มน้าผึ้งนมน บ, บีก็ทานอินทราลัม นบีก็สั่งบอกว่านบีสั่งเลยนะบอกว่าบ้านใดดิบ้านที่เป็นมุสลิมเนี่ยเก็บอินทผลัมมาไว้ให้ทานอินทผลัมวันละเจ็ดเม็ดจนทั้งวันนะเช้าเม็ดสองเม็ดตอนเย็นบา ย, บายสักเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดสี่ก็ไปแล้วตอนเย็นเย็นเนี่ยหิวๆก็อินทผลัมเท่าสองเม็ด ผมเจออุลมามะคนหนึ่งที่เขามาประเทศไทยอเขาอยู่โรงแรมเนี่ยเขาก็พาอินทรพราหมณ์ ม, มาแต่ว่าพาทำไมอ่ะเอะาคนอบีสั่งให้พาอ่ะผมก็พาท่านอินทรพราหมณนึเมรร็ดสองเม็ดนี่อินนะอินดื่มน้ําของที่ท่านอบีุลเสอนเนี่ยดีหมดแล้วก็นามาตะหัดยุดนบีนามาไม่ขาด่ะ มันเป็นอะไรทาให้ร่างกายนี่แข็งแรงนอนแต่ว่าข่ำตื่นตื่นดึกดึกตีนี่ตื่นแล้วแข็งร่างกายแข็งแรงหมดและนบีจะอา่นอานคูยอ่านสม่าเสมอแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านบทดวงอาต่างๆอย่างเช่าๆอย่างนี้อัลลอฮฺมับิกะอัซบะห์นา โอ้อัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้เรามาอยู่ในช่วงเช้าวะบิกะอัมไซน่าแล้วก็ให้เราใช้ชีวิตอยู่ในตอนเย็นวะบิกานามูตุแล้วก็ให้เราตายไปหาท่านเนี่ยแล้วก็ให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วให้เราไปยืนไปพบกับอัลลอฮ์อีกในวันฟื้นคืนชีพที่เรากล่าวอย่างนี้เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และุ้ตาอัล ทุกอิรยิยาบทของเราเนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดอะจะจะนอ น, อ, นอ่านดูอาตื่นขึ้นมาอ่านดูอาข้าวพองน้ําอ่านดูอาออกจากห้องน้ําอ่านดูอาเข้ามัสยิดอ่านดูอาจะใส่รองเท้าอ่านดูอาจะใส่เสื้ออ่านดูอายืนส่งกระจกอ่านดูอาดูอาส่งกระจกว่ายัางไงอัลลอฮุมมะกามาฮัสซันตะขัลกี ฟ้าสินคุลุกีแปลว่าอะไรอ๋ออัลลอฮ์กามาฮัสซันตะคอลกีอัลลอฮ์เนี่ยทำรูปร่างของเราเนี่ยสวยงามเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำรูปร่างของเราให้สวยงามฟ้าสินคุลุกีโปรดทรมมารยาตอัคลากเนี่ยคุลุกแปลว่าอัคลากแปลว่ามารยาต ของเราเนี่ยให้ดีเหมือนร่างที่อลัลลอฮฺสร้างมาเราต้องขอต่ออลัอลลอฮหาอัลลอฮ์ช่วยด้วยอํานาจของเราเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ไหวอ่ะสังเกตง่ายๆเวลาเราติดบุหรี่ไปแล้วเนี่ยจะเลิกเนี่ยกว่าจะเลิกเนี่ยยากฉะนั้นต้องขอดวอาต่อัลลอฮฺอัลลอฮฺจ๋ า, า, าจฉันอยากจะเลิกสูบบุหรี่ให้อลัลลอฮ์ช่วยหน่อยเราต้องขอดวอาต้ อ, อลัลลอฮฺ ฉะนั้นเรากับอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องผูกพันกันตลอดเวลาคนมุสริมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะนะคนกาเฟ่คนฝังขนุนเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยไม่คิดถึงอัลลอฮ์รอคนฝังขนุนเนี่ยทําอะไรไม่คิดถึงอัลลอฮ์ในคัมภีร์อรุกอ่านเนี่ยอัลลอฮ์สอนบอกว่าอย่าออกจากบ้านอย่าออกจากบ้านนะ ในสภาพของคนที่ยิงจองของอวดดีอธิบายยังไงอย่าออกจากบ้านในสภาพที่เป็นคนที่เย่อหยิ่งจองของอวดดีหมายความว่าออกจากบ้านแล้วก็คิดถึงสิ่งอื่นเช่นคนกาเฟ่ในเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยเขามีความตั้งใจนะจะไปทำลายอิสลามออกจากบ้านเนี่ยจะไปทำลายอิสลาม จะไปทําลายมุสลิมเขาถือว่าถ้าทําลายมุสลิมได้เนี่ยเขามันมันมีความประเสริฐเหลือเกินน่ะนั่นน่ะเป็นการออกจากบ้านในสภาพที่เป็นคนที่เย่อหยิ่งจงองหองไปทําลายาศาสนาของอัลลอฮ์น่ะแล้วก็เหมือนการตอนออกจากบ้านเนี่ยนึกถึงใครรู้ไหมไม่นึกถึงอัลลอร์รอกไปนึกถึงกิจ กิจอธิบายยังไงก็คือนอนคนที่นอนร่วมทำศีนากันน่ะนึกถึงกิจเดี๋ยวพอออกไปแล้วไปทำลายมุสลิมสักคนหนึ่งหรือไปทำลายศาสนาของอัลลอ์แล้วเนี่ยจะได้ไป น, นอนกับเธอต่อไงอเนี่ยนึกอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละอัลลอ์กล่าวในกันพิกุราณาว่าและนบีมันอธิบายอย่าออกจากบ้านในสภาพของผู้ที่เย่อะยิงจองของอวดดี เนี i, nya, ala ่ยค th so hey, ิดอย่างนี้แหะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยเวลาออกจากบ้านต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ดูอาที่ท่านับีสอนให้เรานึกะดอาบทไหนอ่ะบิสมิลลาฮิวกลตุอัลลอฮิวะลาฮลวะลาวอิลลบิลลฮิแลแปลว่าอะไรฉันออกจากบ้านด้วยนามของอัลล์บิสมิลลาอคอร์ตุบิอิสมิลลายฉันออกจากบ้านด้วยนามของอัลลอฮ์ ต่ว่าการตัวเลาล้อฉันขอมอบอ่ะมอบอะไรละมอบตัวของฉันเพื่ออัลลอฮฺให้อัลลอฮฺดูแลเพราะไอ้ความสามารถของเราเนี่ยมันมันนิดน้อยนิดบางคนออกจากบ้านแล้วถูกยิงมีมะอันตรพ่อตอนน่ยออกจากบ้านมาเยนึกถึงอัลลอฮฺแล้วก็ฝากบ้านไว้กับอัลลอฮฺด้วยแล้วลูกที่ลูกหลานที่อยู่ในบ้านตัวเล็กๆอ่ะอยาอัลลอฮฺดูแลด้วย บิ س ล الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ไม่มีอำนาจใดที่จะทำให้เราสูงหรือว่าตกต่ำเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอ์ทั้งหมดนะถ้าเรานึกอย่างนี้นะทุวันทุวันทุวั น, ท, วนทุวันเนี่ยอย่างนี้เขาจะว่าออกบ้านไม่ใช่ออกเพื่อการโอ้อวดจองหองแต่ออกไปเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ س ه และกอล เอามาดูุอ่านวันนี้อายที่เท่าไหร่เนี่ยมอนะครับันนตอาดนียดคูลูนาจรีมินต์ติฮัลอันฮาร์ละหุม ف ي ه มายชาอน คดังนั้นจึงจะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์แบบจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564 สวรรค์นี่อัลลอฮฺประกาศมันมันมันอุดมสมบูรณ์อะไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขาดอะไรเลยแะนั้านโลกดุญญนยาใบนี้กับโลกอาคีรอเนี่ยต่างกันเยอะโลกดุนยาใบนี้เนะี่ยมีอะไรไม่ครบมีไม่ครบเพราะมีอย่างหนึ่งก็มีไม่มีมีดีกับไม่ดีของคู่กันอมีนอนกับไม่นอน มีผู้หญิงกับผู้ชายมีคู่ไปหมดเลยแต่ในสวนสวรรค์นี่มีแต่ดีอย่างเดียวเรื่องเรื่องไม่ดีไม่มีมีแต่ดีดี ด, ด, ดแล้วก็ไม่หมดอายุด้วยอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยเป็นความดีที่อัลลอฮ์ให้ไม่มีวันหมดอายุแต่ความดีที่อัลลอฮ์ให้บนดุงจันทรนี้มีวันหมดอายุยันนาตูอาดนินสวนสวรรค์หลากหลายน่าอยู่น้าอาศัยอยู่ไปตลอด ยาตถคูลูนะฮะเขาทั้งหลายเข้าไปในสวนสวรรค์ใครเข้าสวนสวรรค์ก็คือคนที่ใช้ชีวิตใช้ชีวิตปฏิบัติตามอัลลอและรอซูนคนที่ปฏิบัติตามอัลลอและรอซูนได้ใช้ชีวิตอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเนี่ยอัลลอ์ตอบแทนให้ เพราะอรดาลาเมตตาคนเหล่านั้นเข้าไปอยู่กี่วันละโอ้เนี่ย ใ, ในอันยาอายัก์อื่นเพราะว่าอยู่ไปตลอดเลยไม่มีออกแล้วยัตคูลูนะ่ะอัาตาจรีมินตัทธิติหารอันหารณะเบื้องล่างของสวนสวรรค์มีอะไรนะอันหารแปลว่าแม่น้ำหลายสาย มีแม่น้ำาหลาสายไหลผ่านในตับเซตอธิบายบอกว่าใบานัลอชญาริฮา่วาวกูซูริฮาเบื้องล่างในสวนสวรรค์นี่นะครับมีต้นไม้ด้วยแล้วก็มีลาน้ำ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนก็เอาอายานี้นะไปไปไ ป, ไปทำไปทำไมีลามีลมน้ำ แล้วมีปลูตกต้นไม้เอาไว้เนี่ยยังไงยังไงก็ไม่เหมือนสวนสวรรค์ลงทุนขนาดไหนก็เชิญเลยในสวรรค์มีต้นไม้ด้วยแ ล, วแล้วมีลำน้ำแ้วมันน่าอยู่มันเย็นสบายผมเ พ, พกกิ่งกลับมาเมื่อคืนเนี่ยไปงานนี่งานที่เอ็มทีวีที่ไหนนะที่สงขลาที่มัสยิดกลางสงขลาคนมาเยอะทำได้เลยละมาฟังาศาสนากัน พอกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนเนี่ยสี่ทุ่มตอนจะลงเครื่องบินหนังบินลงไม่ได้ประมาณ40กว่า น, นาทีข่าวว่าฝนตกหนักสองรันเวยเครื่องบินรอลงเยอะแล้วก็มอง พ, กพวกเราเราแคนเนี่ยานามันหมดก่อน <laughs> อินนาลิลละ อ, อินไห์ละฮิราะจุนอัลลอฮ์อะลัยฮิส ทำอะไรให้นึกถึงอัลลอ์ตลอดดีไหมดีอยู่สบายเกินไปลืมมันหรอมีปัญหาอุปสรรคได้นึกถึงอัลลอ์สุภาวอูบาะและวอาอา่านที่ไม่เคยอ่านต้องอ่านหมดนะทมดูล <c oughs> ินะ <c oughs> ลูกดุญยาไปนี่ไม่สงบอยู่ไปอย่างนงี้ตลอดแต่สวนสวรรค์นั้นมีแต่เรื่องดีดีดี ด, ดีอย่างเดียวถ้าจะนั่งเครื่องบินก็ ไม่มีต้องว่าต้องรอรันเวย์ก่อนไม่ต้องใช่ไหมต้องรอให้เคลียร์พื้นที่ก่อนไม่ต้องเราตาราง จ, จัดให้เรียบร้อยหมดนั่งในสวนสวนรรค์นี่เป็นยังไงครับละหุมฟีหามายาชาอูนเขาทั้งหลายจะได้รับยาชาอูนเนี่ยนะแปลว่าตามที่เขาทั้งหลายประสงค์ละหุมฟีหามายาชาอูน เขานึกอะไรเนี่ยได้หมดนึกอะไรเนี่ยได้หมดพอนึกภาพเนี่ยได้ขอได้อยู่บนดวญาจนี่เรียกหาแล้วขอแล้วยังไม่ได้ก็มีเราอยู่ในโลกดวงใจไปนี่นึกได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ลงมือทำอะเรานั่งอยู่ในบ้านนึกจะกินอาหารนี่อาหารลอยมาไหมไม่ลอยแต่ในสวนสวรรค์ นึกจะทานอาหารเนี่ยอาหารลอยมาเลยเนี่ยคุาารานอธิบายไว้หมดเลยแล้วก็สิ่งที่เราอยากว a ล a k u m fiha ma t a s h t h a h ะ w า l a k u m fiha ma t a d ท่านจะได้สิ่งที่ท่านอยากและท่านจะได้สิ่งที่ท่านเรียกหาขอน้ำน้อยได้หรือไม่ต้องเรียกก็ได้นึกอยากจะดื่มน้ำน้ำมันลอยมาเลย อะไทำดูลินแล้วไม่คิดจะเข้ากันบ้างแหละเราเข้าไปดูดสิงจริงหรือเปล่าเนี่ยนึกแล้วก็วมาแล้วขอแล้วมาอยู่บนดุงยาไปเนี่ยขอแล้วยังไม่ได้เพื่อวัดตากเองทะเลาะกับเมียเมียวัาทำเองเหอะบริการมานานแล้วทำเองอืเอาในฮัดดี้อธิบายอย่างนี้ อินนัสะฮบบะถลลาตมุรุลมละมินอัลลิลจันน่าวะฮุมจุลูซุนตอนที่เขานั่งอยู่ชาวสวรรค์นั่งอยู่เนี่ยนะจะมีเมฆเมฆแบบนั่งครึ่งบินนั่นแหละเดินวิ่งผ่านเมฆครึ่งบินวิ่งผ่านเมฆ น, น, น, นั่งอยู่ในสวนสวรรค์เมฆจะเนี่ยผ่านศีรษะเราเอัลลอฮ์สวยขนาดไหนอ่ะ เมฆจะเดินผ่านชาวสวรรค์ขณะที่ภูเขานั่งอยู่กำลังดื่มดื่ ม, มน้ำชากันอยู่ดื่มน้ำกันอยู่เนี่ยเมฆ ก, ก็ผ่านอลลอมเย็นฟาลายสตาฮีอาฮัดุลมินฮุมชัยอันพอดื่มน้ำไปแล้วเมฆผ่านศีรษะเนี่ยไม่ยากอะไรเลยอิมอิลอัมปารัดฟุอัลไลฮ์นอกจาก ฝนจะตกลงมาคงไม่ใช่ฝนตกลงมามาเจ็บราไม่ใช่หรอกแบบอะไรนะ่ะแบบสายฝนร่วงลงมาถูกร่างบางอะไรบางมันเย็ยนมันสบายบางคนพูดบอกว่าไอ้สายฝนที่ตกมาเนี่ยเหมือนกับอะไรใช่ไหมเหมือนกับเด็กหรือผู้หญิงกาลังบริการบริการนา้ำบริการอาหารเนี่ย แล้ววัคซ์นึกจะออกมายังไงเหมือนผู้หญิงเหมือนเด็กมาบริการคนที่เข้าพัตคาลคงจะคงรู้นะเข้าไปบาร์ในคลับพวกนี้คงมีบุหญิงบริการใช่ไหมนะ่ะในสวนสวรรค์ยิ่งกว่านี้อีกมาบริการน้ำบ้างอาหารการกินบ้างฝนตกมาเนี่ยเหมือนกับมีคนมาบริการอาหารให้เราได้กินได้ดื่ม นี่นึกภาพวันนี้จำตรงนี้ไว้จะขอจุอาต่อลองให้เราเข้าวสวนสวรรค์ในคัตวิอธิบายอีกนะครับฟีหามาตัสตหฮีพวกเขาจะได้รับตามที่เขาทั้งหลายต้องการนึกนึกอย่างเดียวก็ได้พอได้รับแล้วนายน้ยนองครับมันชื่นชมมันดีใจอ่ะโอ้โหลาครั ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งพอได้รับได้วต่อ ว, ว่างไงนะอัลฮัมดุลิละแล้วต่อมาครับกาซาลิกายะจินละฮุลมุตตะกีในธรรมนองเดียวกันกาซาลิกเนี่ยแปลว่าในธรรมนองเดียวกันยะจินละฮุลมุตตะกีอัลลอฮฺทรงตอบแทน ผู้ที่มีตักวาคำว่าตักวากคือคนที่สำรวมตนคนที่ระวังตัวไม่ทำบาปคนที่ระวังตัวเองเนี่ยไม่ทำบาปไม่ทำชั่วกาดาดิกายจิลลและฮุลมุตตะกี คนที่ลำลึกถึงอัลลอ์คนที่ชมอัลลอ์คนที่มีหัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยตอนตายก็สบายด้วยนะไม่ใช่ว่าตายแล้วสบายนะตอนตายตอนที่อัลลอฮ์ส่งมาลายกามาเอาวิญญาณเนี่ยโอ้ดูดู ด, ด, ดูคุณอรร ا ต الذين تتوافهم الملائكة طيبين เนี่พูดเรื่องตอนตายนะถ้านเราเนี่กำลังนอนอยู่บนที่นอนอาการโคมา่าใกล้จะตายเราก็หมอโรงพยาบาลบอกวลุงลุงยารักษาลุงไม่มีแล้วนะแล้วเราคิดยังไงเราก็มองหน้าลูกมองหน้าเมีย ฐ า, านคงจะตายครัาในอญญายะอื่นอธิบายดีนะเบ็บอกว่าคนที่กล้าจะตายเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นภาพรู้ไม่ภาพอะไรอ่ะภาพสองโลกโลกดุนยากับโลกอะคือหรท่านพี่น้องลงทุนโลกดุนยาเนี่ยทำอะไรไว้บ้างล่ะมันมาหมดเลยอ่ะ กุรอาตรงน่ารู้ไหมวัลทัฟติสกูบิกวัลทัฟติสกูบิแข้งแขงข้างหนึ่งกับแข้งอีกข้างหนึ่งมันตีกันเนี่ยนแข่งเราเนี่ยคำว่าแข้งเนี่ยไม่ได้หมายว่าแข้งจริงๆโลกดุนยากับโลกอาคิรอมันตีกันซับส้น อ, อยู่บนดุนยาเนี่ยเราไม่เอ า, าศาสนานะนะยกตัวอย่างาศาสนาเราไม่เอาเลยสร้างดุนยามาซื้อที่ไว ร, ไร้อยไร่ที่พนัทธนิคมยกตัวอย่างแล้วก็ปลูกยางไว้แล้วก็สร้างอพาร์ตเมนต์ไวร้อยห้องเดือนละสองแสนสองแสนสองแสนปลูกบ้านไว้ใหญ่มีรถไว้แต่ตัวเองาศาสนาไม่เอาเลยนะไอตอน ตอนจะจากโลกดุนยาวันสุดท้าย <c oughs> จะจากโลกดุนยาวันวันสุดท้ายมองดูอัลลอฮฺฉันไในมีสวนอยู่ที่พน่าตร้อยไร่พร้อมกับต้นยางกียรติแล้วในเดือนละหกแสนแบ่งกับคนลูกจ้างเอาไปครึ่งหนึ่งเหลือสามแสนและอพาร์ตเมนต์อีกร้อยห้องเดือนละแสนห้าค่าน้ําค่าไฟได้กําไรอีกสองแสนประมาณห้ 0,000 บาทบ้านที่มีอยู่ ที่ฉันจะต้องจากโลกดุนยาใบนี้ที่ลงทุนเอาไว้ตั้งเยอะมองดูโลกอาคิโรไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยกระอบเล็กๆ ก, ก็ไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่เคยสุญูดแม้แต่ปกึกเนี้ยวไม่เคยซิกรุนล่อเลยแม้แต่คำเดียวไม่เคยลุกขึ้นมาตหัสหยุดเลยทั้งชีวิตมันจะชมอัลลอฮ์เลยแม้แต่นิดนึง ของดีๆที่อัลลอฮฺอธิบายไว้ใ น, นคัีรอุลมันจะสนใจเลยเอาวันสุดท้ายจะจากโลกดุนยาแล้ววันแรกจะเข้าสู่โลกอาคิร็อกมองดูเสียดายโลกดุนยาเสียใจโลกอาคิร็อกทำไมเสียใจละ่ะ <c oughs> เพราะไม่ได้ลงทุนอะไรไว้เลยไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยสังนีดึงเงินมาสร้างเก้าอี้สักตัวหนึ่งก็ินมาด้สร้างเอาไว้ มองดูตาจิมเคยนี่มันร่างหมดเลยนี่ไม่มีเลยจะไปอยู่ยังไงตรงนั้นสับสนครับวันท้าฟะทิสะตะกบิสตเ <c oughs> นี่ยตายอย่างนี้ตายดีหรือตายไม่ดีตายทรมาน่ะกำลังนึกนึกอยู่เสียใจยเสียดายมล า, ายกามาแล้วทรมานในสภาพไหนอ่ะในสภาพ คนไม่เอาศาสนาก็คือมาราัยการแต่งตัวโสโกปรกผมยำดำเห ม, ม, ม็นมาในมิยามเหม็นอยู่แล้วอัลลอกลัวไหมกลัวแล้วมาทำไงรู้ไหมไม่ได้มาเชิญนะกระชากออกไปไปหาอัลลอฮฺยัดลีบูนอาบจูฮามุอาดบารอฮุมทั้งตบทั้งตีทั้งเตะแบบจับ แบบจับคนอันธพาลถูกซ้อมบนรถถไถเงินด้วยมีเ ง, งินงานมาสิแสนสองแสนจะปล่อยคุณอนะ่ะแต่เมรอิก้าไม่ปล่อยนะ <c oughs> อ่ะอามาดูภาพอัลลาดีนาตาตาวัฟาฮูมุลมาลาอิกะตุตอยยีบีนบรรดาที่มาลาอิกะทั้งหลายทำให้ ตอยีบีทาให้คนดีๆเนี่ยตาตะวาฟ้าหุมให้เขาตายมาลาอิกะที่มาเอาชีวิตคนดีๆแสดงว่าตายเนี่ยมันจะตายเองนะอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะมาเอาวิญญาณต้องนึกตรงนี้แล้วก็มาลาอิกะที่มาเอาวิญญาณเนี่ยเราเห็นหน้าไหมไม่เห็นครับแต่ว่าวิญญาณมันเห็นตอนจะ ต, ตายนเนี่ยเฮ็นหมดเลยอ แล้วเป็นไงครับยากูลูนมาก็มาพูดพูดว่าไงนะสาลามุณอาไลากุมนี่กูอ่านอาัลลอฮ์เล่าเลยนะจะมาพูดว่าไงนะอัสาลามุณอาไลากุมมาถึงวิญญาณตัวเราเนี่ยคือมารายการนะมาสองชุดมาเอาวิญญาณคนคนหนึ่งนะอลัลลอฮ์ลงทุนเท่าไหร่คิดดูซิ ชุดที่หนึ่งมานั่งอยู่บนศรีรษะนั่งอยู่บนศรีรษะชุดที่สองเนี่ยสายตาของคนตายเนี่ยมองไปถึงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นมาลัยกาชุดที่มานั่งอยู่บนศรีรษะเนี่ยพอมาเชิญวิญ ญ, ญาณออกจากร่างด้วยร่างหน้าตาสวยใส่เสื้อผ้าหอมรูปหลอ่อมาเชิญเชิญภาษาที่เชิญว่าไงรู้ไหม ยอย่าไอยาดูฮันนับซุลมุตมาอินนะโอ้หัวใจของผู้ที่สงบเอยหัวใจที่มีอัลล์หัวใจที่มีระซุนหัวใจที่มีอีมานหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยตอนตายสบายมากๆเลยล้วมาเชิญออกว่าออกเถอะไปไปอยู่กับอัลลอฮ์ไปไปอยู่กับบาคคนดีๆไปทำไมอยากออกไหมอยากออกน่ะ แล้วก็น บ, บีก็อธิบายอีกวิญญาณของคนดีเนี่ยเวลาออกจากร่างเนี่ยเหมือนเทน้ำลองเอาน้ำใส่แก้วดูเดียตอนเทออกนะ้ะยากหรือง่ายปุ๊นั่นน่ะนบีอธิบายสาธิตให้เร า, าเข้าใจง่ายๆะพอออกจากจากร่างภาพก็ไปมอบให้มลายกาอีกชุดหนึ่งซึ่งมีผ้ากาฝันจากสวนสวนรรค์รออยู่แล้ว อ่าไปมอบใหก้ก็หอและกลิ่นหอมพาขึ้ น, นข้นางบนพาขึ้นข้างบนทุกคนบนชัานฟ้ามาถึงมารยการทั้งหมดนี่คุณเอาวิญญาณใครมาเนี่ยมันหอมอย่างนี้นะอันนี้ก็บอกสิของอาจารย์นี่ของคนนี้คนนี้โอทุกคนนี่กาสรเสรเชิญเชิญเชิญเชิญเิญข่าเฝ้าอัลลสุภาณัวตาละพรมบัญชีเรียบร้อยแล้วว่าส่งลงามาข้างล่าง งเรามาเข้าวิญญาณอยู่ในกูโบเนี่ยก่อนเดี๋ยวจะให้บัลลัยกามาสอบอีกเนี่ยภาพอย่างนี้เรามองด้วยตาไม่เห็นถ้าเราไม่เชื่อขาดทุนไม่เชื่อก็จบไม่เชื่ออัลลอฮ์น่ยไม่เชื่อน บ, บีมาสอนไม่เชื่อมันก็จบเหมือนคนฝั่งขนูนน่ที่ไม่เอ า, าศาสนาแล้วเป็นไงครับลาบากมากเลยฉะนั้นกูร์รานะยานีเตือน อัลลอฮนัตัว่าฟาหุมุลมาลาอิกาตุอยีบีนอยิปาวดีคนที่ดีๆนั้นเวลาอัลลอให้มาลาอิกามาทำให้เขาตายยากูลูนบันดาลาอิกามาพูดตอนที ان, ah, oon, ah ่จะมาเอาวิญญาณว่าไงนะซาลามุลอาไลคุมขอความสันติจงประสบแต่ท่าน คนตอ ย, ยีบินก็คือคนไม่ทําชีริกเนี่ยทับซีนอธิบายนะคนที่ไม่ทําชีริกทงที่ไม่ทําบิดาไม่ทําชีริกไม่ไปหาโตโตอะไรอะโตรอยองไม่ไปหาโต้แท้ไม่ไปหาโต้นโนโ ต, โตนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ไปมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาไปเอาลอตตรงๆเราไม่ทําชีริกต่ออัลลอฮ์เลย อุดะคูลยันนะพอไปถึงภาพอย่างตอนมาเอาวิญญาณเนี่ยมาเชิญว่าไงนะอุดะคูลยันนะจงเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์พอออกจากวิออกจากร่างนะเข้าสวรรค์เลยนะอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้พอวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนี่นะ่ะร่างกายถูกฝังอยู่ ในดินส่วนวิญญาณ น, นั้นอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในสวนสวรรค์เลยนี่กูอ่านพูดชัดเนี่ยอแสดงว่าวิญญาณของคนดีๆของคนที่ไม่ทำชัริกของคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ที่มีตั ก, กวาต่ออัลลอฮ์ของคนที่นามายครบเวลาเวลาของคนที่ติดต่อกับเครือญาติน่ะกับคนที่อ่านาอัลกุรอานวิกรูล้ล่อสมามเสมออัลลอฮ์ให้วิญ ญ, ญาณไปอยู่ในสวนสวรรค์เลย ส่วนร่างกายถูกฝังไว้ก่อนแยกกันชัดเจนแล้วก็สวนสวรรค์นั้นน่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่สัตสิทรตุลมุนตหาอยู่ที่ต้นอินอยู่ใกล้ต้นอินทพลมข้างบนนู่นน่ะเรียกว่าอินลียีนที่เก็บของวิญญาณของคนดีๆทั้งหมดอยู่บนอิลลียีนทั้งหมดน่ะ นบีอธิบายอย่างนี้วิญญาณของเราพอออกพอออกจากรากเราไปแล้วเนี่ยมันไปเข้าอยู่ในร่างของนกวิญญาณเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของนกนกเนี่ยเป็นสีเขียวอธิบายนกนง่ายอยู่บนต้นไม้บินตรงไหนก็ได้บินไปที่ต้นไม้จะกินอะไรก็เชิญ น, นกี่อยู่ในป่าเห็นไ่มน่ะนะกินอะไรก็ได้นั่นนะครับนบีอธิบาย ให้เราเข้าใจง่ายๆอัลลอฮฺอัลกุบะละห์ทำด้วยแล้วแต่ส่วนวิญญาณของคนชั่วอยู่ที่ไหนอ่ะสิจีนอยู่ในนรกอุลามะอธิบายนาบีอธิบายที่ว่าอยู่ใต้ดินชั้นที่เจ็ดห่างกันอย่างกับฟ้ากับดินนั่นแหะนรกวิญญาณอยู่ในนรกนี่ไงแท่านขอดูอาตัดรอด น, นะให้เราเป็น เป็นคนดีดีกว่านะเวลาเป็นคนดีต้องต้องฝืนอารมณ์นามาสุโบต้องตื่นอย่านอนดึกเพื่อจะได้ลูขึ้นมานมาอะไรนะนมาสูโบอย่านอนดึกนะครับอุตตคูลจันนัจบิมากุนตุมตามาลูนเข้าสวนสวรรค์นะเป็นรางวัลนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ ทำความดีเอาไว้ไห็นไหมทำความดีเอาไว้โยนโลกดุนยาไปนี่เอารอัดวัคำถามนี้อยู่ว่ามาลายกาพูดอะไรอ่มามลายกาพูดอะไรนะ <S <S อัสสลามูอะลัยกุมอุดหุลจันนะบิมากุนตุตมัมาลูเนี่ยมาลายกาพูดว่าไปไปไปไปอยู่ในสวรรค์เถอะ ในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำความดีพูดอย่างนี้ส บ, บายใจไหมอัลลอฮฺอักกวรมีฮะดีษบทหนึ่งอธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายดะกอลาอิบหนุมัสอูดอิบหนุมัสอูดนับบายบอกว่าอิแวจะอามาลิกุลมาดเมื่อมาลาอิกะที่มาเอาวิญญาณเนี่ยมาถึงคนคนที่ใกล้จะตายมาถึงเรานี่ยแหละ เรียกอดีรีรห์เราหุ่นมุมินเพื่อจะมาเอาวิญญาณมาพูดสัตยาต่ออัลลอฮ์ในตัฟซีกุตบีอธิบายว่าก่อละรอบบูกายคราอูกัสอาลัมพอมาถึงจะมาเอาวิญญาณบอกว่าอัลลอฮ์ฝากสลามมาถึงคุณด้วยฮัลโหลพระผู้อวยพรของท่านเนี่ยทำอะไรนะฝากสลามมาถึง ก่อนจะเอาวิญญาณเอาล่อฟากอลามมาถึงคุณด้วยนะอัลลอฮฺอัลกุรอรีเาาสลามกับมาละอิก้ามามาถึงวิญญาณเรมาถึงเร า, านี่ยแหละอย่เงี้ยนอนตาหลับมเนี่ยอัลลอฮอักรยิบรีเนี่ยาสลา ม, มาถึงท่านหญิงอาหิชาบ่อยๆมาลงมาหาคุยกับนบีพอคุยเสรสลามมุยาคุณด้วย น บ, บีเข้าบ้างกันนี่ไอชะไิบรีนมหาชันะกี้สลามทุนเธอด้วยอ๋ลเหออิมันเพิ่มแค่ดานไหนขนนั้นนอนกลาคือนอ่ะนอนไปรับนอนสักนิดนังอิมขคืนเมื่อนามาดขอบคุณอัลลออย่างเงี้ยคิดดูที่ครอบครัวน บ, บีนะคนดีๆทั้งหมดอยู่ตรงนั้นอัลลอฮอักบัรเราจะประทับใจแค่ไหน ตัปซีด อ, อธิบายอีกเล่มหนึ่งวักตัวอรวาห้ิมขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างท่านอิบนมัสอุนอธิบายอย่างนี้นะ น, นี่เป็นศาบาห น, นาบีนะไม่ใช่อุลามะรุ่นหลังมุลามรุ่นก่อนเนี่ยมูฮัมมัดเบนกะมูจาฮิตวลอักซาลุนยาลุตตัปชีรบิลจันนาตีอัลลอฮฺตาลาเนี่ยมาแจ้งข่าวดีให้กับวิญญาณบ่กคุณเนี่ยไปอยู่ในสวนสวรรค์นะ อัลลอฮฺอักบรเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยอัลลอมันมันมันมันอิ่มเอิบใจนะอัลฮัมดุลิลลาอ้าสรุปสั้นๆอาย่นี้เนี่ยคนที่ตายถ้าเป็นคนตอยีบีนคนตอยยิบคนที่มีศาสนาคนที่มีอีมานมาเลย์กาจะพูดว่าไงนะยากรูนะซาลาบุณอาลัยคุมอุดคุลุลจันนะอัลลอฮฺอักบร บางคนพูดบอกว่าพอพูดคำนี้นะขณะนอนอยู่ในกูโบนะ่ะฝันได้เรื่องนี้แหละร่างนอนอยู่ในกูโบใต้ใต้ดินเนี่ยนะฝันเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องคำพูดการที่อัลลอฮฺอาลาสัลามกับมาละอิกามาวัาสลามถึงวิญญาณคนนี้ด้วยนอนอยู่กับฝันตรงนี้แหละไม่มีการทรมานใดๆทั้งสิ้นเลยห้ามดูดินเหรเอ้าวต่อมาอายาที่เท่าไหร่นะ อธิบายอีกนิดหนึ่งหัดยึท่านในบรสสอนอย่างนี้อย่าลืมกูโบเวลาท่านไปน้องเดินผ่านกูโบน่ะถ้ามองไปในกูโบน่ะมันมีอะไรอ่ะมันมีหลุมใช่ไหมละ่ะเราก็มีดินพูนขึ้นมาแล้วก็มีไม้อะไรเขาเรียกไม้ละสังละแสอะไรเนี่ยนะมองตรงนั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกฉะนั้นใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลามองกูโบต้องมองให้ลึกไปถึงข้างล่าง มองว่ายังไงมีมาลาอิก้ามาสอบแล้วก็มีงูมาฟัดมีมแมลงปองมาต่อยคนที่ไม่เอ า, าศาสนาน呐ะลองตายดูสินึกภาพตรงเนี้มีงูมานอนฟัดอยู่เนี่ยมาใจอตัวเดียวนะขนาดตาคาผ่านตรงนี้ลองกระโดดกันเป็นแถวว่เนี่ยมีงูสักตัววิ่งผ่านเนี่ยก็โจนกันหมดนี่อันนั้นนะนอนอยู่มาเจอตัวเดียวนะมาเป็นโรย ตายหัวตายเท้าลออากบันจะนอนหลับได้ยังไงทัา น, นนึกถึงภาพตรงนี้เยอะๆนะครับนบีสอนอย่างนี้อัลกบรูอิมมาเราดอตุนเมนรียดิลจันนะกูโบนั้นเป็นอุทยานหนึ่งของสวนสวรรค์หรือไม่ฮุฟรอตุนเมนฮาฟรินานารหรือเป็นขุมนรกขุมหนึ่งของนรกน่นอนอยู่ในกูโบนั่นแหละ คนที่ดีๆนี่นะเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยไอ้คนชาวไม่เอาศาสนานี่พี่น้องไอ้คนดูถูกอัลลอห์ไม่รักซุนนะนบีอยู่เพาะๆกับเป็ดกระไก่นี่แตงก็แตกต่างกะไก่ตรงไหนเป็ดก็เหมือนกันควายก็เหมือนกันวัวก็เหมือนกันอยู่ในสภาพนั้นนะมุสลิมดีกว่าควายหน่อยเพราะตอยู่บ้านนั่นแหละ ดีกับแพ้หน่อยก็ตอนนั่งรถดีกับอูดหน่อยก็คือเราใส่เสื้อเท่านั้นเองนอกจากนั้นเหมือนกับสัตว์นะฉะนั้นพี่น้องพี่น้องต้องนึกเราไม่ใช่สัตว์เราไม่ใช่แอนิเมละเราไม่ใช่ไฮเวย์วาเราเป็นอะไรเป็นมุสลิมเราเป็นมุเมนเราเป็นคนนึกถึงใครนึกถึงนบีมุฮัมมัดเป็นแบบอยู่คนเดียว บรรดาซอบา้นานนบีเป็นบุคคลตัวอย่างซึ่งเราจะต้องเอาแบบอย่างของพวกเขาเนี่ยมาไว้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ให้ครบอัลกับรุอิมาราดะตุนมินริยาดิลจันนักูโบนั้นเป็นอุทยานหนึ่งของสวนสวรรค์ถ้าหากเป็นคนดีนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนเลวละ่ะฮุฟรอตุนเป็นขุมหนึ่งของนรก น, น, ไไน้อนไม่ใจเป็นนองน้็ แลนอนกี ي ي ่วันที่นั่นอ่ะโอ้ยไม่รู้ว่ากี่พันปีรออัลลอฮฺอัลลอฮฺเจมบิลลาฮิมินซาลิกอะตอมาอายาที่สามสิบสามฮัลยัมจุรูนอิลลัลอันตะตียะฮุมุลมาลาอิกะคนกาเฟ่น่ะดูถูก ก่อจะอธิบายอาญานี่สายเหตุทิ่นลงอาญานี่คนกาเฟตพูดอย่างนี้ไหนล่ะที่พูดว่าคนไม่เอาศาสนาจะอยู่ลําบากอยู่ในกูโบน่นี่ทันนี่ทั้งชีวิตเลยเนี่ยทรยศ ต, ต่ออัลลอฮ์มาไม่เคยสูดอยู่ต่ออัลลอฮ์มากี่ปีแล้วหกสิบปีเนี่ยไม่เอาศาสนามาหกสิบปีท่านยังอยู่สบายเห็นไหมมีบ้านอยู่กับคนที่นมาดวันละหเวลาอีก มีรถคันใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีที่ดินมากกว่าคนที่มีศาสนาอีกไอ้คนมีศาสนามาก็ยืมตางชฉลาฉัยในวันนี้คือพุทธธรรมนองนี้แหละคำตอบฮันยังโรุนาอิลาอัน ต, ติยหูมุลมาลาอิกะพวกเขามิได้คอยสิ่งใดพวกเขามิได้คอยสิ่งใด เนี่ยขณะนี้เนี่ยม่จะเจ็บไข้ใดป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ดีกว่าคนที่นำมาสะอาดอีกอัลลอฮฺบอกอบว่าที่พวกคุณไมได้คอยอะไรนะคอยอะไรตรัวไหมอันตะติยาหุมุลมาลาคอยให้มาลายกามาเก็บวิญญาณคุณตอนนี้คุณอยู่สบายไม่มีปัญหาหรอกไอ้ที่ให้คุณอยู่สบายเพื่อให้คุณหลง เพ่อให้คนณอเลวกว่าเดิมไปดูพวกมุสลิมสิเขามีอีมาะชัดให้เขาป่วยแล้วป่วยอีกมีปัญหาตามาเต็มไปหมดเตือนเขาได้นึกถึงฉันน่ะแต่คุณนี่อยู่สบายแล้วพูดดูถูกพี่น้องมุสลิมดูถูกาศาสนาดูถูกว่คาคนมีศาสนาวันนี้ไม่เห็นมันมีอะไรมันดีกว่าฉันบ้างอ่ะคือด้านจิตใจนะ่ะมันดีกว่าคุณตั้งเยอะ เราเนี่ยมุสลิมจะออกจากบ้านอ่านดุบาใช่ไหม่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุฮฺอัลลอฮิวะลาฮฺอัลลอฮฺผู้บริวัติละจะออกจากบ้านนั้นนึกถึงอัลลอฮฺคุณจะออกจากบ้านนึกถึงกิกต่างกันต่างเยอะคุณจะออกจากบ้านฉันจะไปหาเงินมาให้พวกคุณแขกกู้ถ้าว่าออกออกจากบ้านอย่างนี้เนี่ย คำสอนของอิสลามของอัลลอ์เนี่ยเป็นการออกจากบ้านที่ทรยศต่ออัลลอ์สุภาณอ ว, วตาอมาดูคนฟังกันนี้สิเขเป็นคนจนก็จริงอะ่ะแต่เวลาเขาออกจากบ้านเขาคิดถึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุลลอฮวะลาฮ์เลาเและลากูวะตาอิลลาบิลละละใจไม่เคยนึกถึงกิ๊กเลยนึกถึงอัลลอฮ์องเดียวต่างกันวิญญาณมันต่างกันร่้ว ม, มันต่างกันแต่ว่าไอภาพของนอกเนี่ ย, ย เขาอาจจะดีกว่าเรากวาจริงแต่คุณกำลังรออะไรนะให้มาลายิกะมาเก็บวิญญาณคุณเราเก็บแบบไหนอะเรารู้ใช่ไหมล่ะถูกเล่นงานตลอดเวลาเลยมองไม่เห็นพระนางเองเอ้าวต่อมาเอาอยะติอัมรุรอบบิกหรือการลงโทษของพระผู้อภิบาลของท่านทำให้คุณพินาศ คุณรอสองอย่างวันเนี้รอมาลาอิก้ามาเอาวิญญาณคุณหรือไม่ก็รอการลงโทษจากอัลลอฮฺสุพาห์นหูตะลาคุณต้องจาได้ไหมฟาโรห์เอาคนคนใหญ่ๆเลยดีกว่าอย่าเอาคนเล็กนบีมูซาขอดถวะเนี่ยคนที่ไม่เอ า, าศาสนาวันนี้คนมีคนขอถวะเล่นงานตั้งเยอะนะรู้ไหมสิ่งวัตถุนี่ขอดถวาต่ออัลลอฮฺ ทะเลทะเลขออนุญาตอัลลอฮฺขมือมันไหมอ่ะไอคนที่หาปลาอยู่ในท้องทะเลนะ่ะที่ไม่สูอยู่ ต, ตอ่ออนะัลลอฮฺน่ะฉันเคขมือมันไหมอลัลลอฮฺอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอ ก, ก่อนรอ ก, ก่อนแผ่นดินนี่เกิดมันกันไหนคนที่ไม่เอาศาสนาวันนี้เดินอยู่เนี่ยเอาไหมอัลลอฮฺจะจะสูบลงแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งที่นั่งเครงบินนะ่ะหาฟ้ามันพาลงไหมนะ่ะ เือว่ามันจะกลับเมื่อกลับตัวนี่คุณอานนี้อายันนี่ชัดอายะติยะอัมรุลบิกพวกนี้นะไม่ได้รออะไรหรอกรอสองอย่างรอให้มาลาอิกามาเก็บวิญญาณหรือไม่ก็รอการถูกลงโทษจากอัลลอฮสุภาณาวะตาละฟาโรสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็เขียนหน้าบ้านเขียนดอาหน้านว่างั้นนะ บิสมิลลอฮุมาด้วยพระนามของอัลลอฮฺแปะเอาไว้ท่านน่นไม่รู้เราเขียนไปน็นยังไงเพราะชาวบ้านก็เขียนกันนี่นบีมูซาหมั่นไส้ขอดุอาญาลดทําลายฟาโรห์ไหมอย่าเพิ่อย่าเพิ่งทำลายที่ไหนเอาในบ้านมาเลยเราญาญาญามาลายการลงมาบอยญาญาญาทำไมรู้ไหมฉันให้เกียรติกับชื่อของฉันพราะเขาเอาชื่อฉันไปแปะไว้หน้าบ้านเนี่ยบิสมิกลลอฮุมา แล้วก็นบีมูซาก็ถามว่าทําได้ที่ไหนอ่ะยะอัลลอฮ์มันเร็วมากเนะี่ยท่นสอนมาสามสิปีแั้วไม่เอาอัลลอฮ์เลยอะ่ะอลัลลอฮ์บอกเดียวมันตานยในทะเลเห็นไ้มที่ทะเลเขาเมือบมาจ้องจ้องมาเนี่ยนะ ม, มัฟาโรห์ถูกแล้วนั่นเห็นยังอะ่ะประวัติศาสตร์ในอธิบายอธิบายไว้เยอะเลยอะดีสอธิบายไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยฉะนั้นคนเหล่านี้ถูกอัลลอฮ์เล่นงานตลอดเวลา ฉะนั้นคนที่ดูถูกาศาสนาวันนี้ไม่เอ า, าศาสนาวันนี้อลัลลอฮฺบอกว่าคุณนี่นะกำลังรอให้มาลาอิกามาเก็บวิญญาณคุณรอตายหรือไม่ก็ถูกเล่นงานด้วยการลงโทษต่างๆนานาพี่ท้องจำได้ไหมคนที่เป็นศัตรูนบีบุญมาอยู่สี่คนนะตายแบบไหนปลายน้ำตื้นหมดเลยหนึ่งกิงไม้ร่วงลุมาถูกหัวตาย มจริงไ ม, ไ, มไม่น่าจะตายหรอกอะแล้วก็น้ำตามเท้าตายแล้วอีกคนหนึ่งมันมีอยุ่ผมําไม่ได้ไมีเยอะเขาว่าคุณจะตายเพราะเพราะแมลงวันเนื้อไปมแมลงมุมก็โดดเนี่ยก็โดดจับมแมลงตีมแมลงมุมหกข้อ่มตายคือมันไม่ใช่น่าจะตายนะใช่ไหมแต่เรากำลงโทษพวกคนเหล่านี้ ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮสุภาณอุบวาตาอาลเลยบางคนตัดแข้งตัดขามม่กี่ปียังอยู่ได้ใช่ไหมมันต้องนึกอะไรยเยอะๆนะอัมาเดเลิลาอ้าวพี่น้องตกลงว่าคนที่ไม่เอ า, าศาสนาวันนี้อๆๆัลลอฮบอกว่าพวกคุณไม่ได้รออะไรหรอกรออยู่สองรอไรการรอตายหรือม่ก็ถูกเล่นงานก่อนตายก็ได้ต่อมาครับ فعلا الذين ق ล ل ในทํานองเดียวกันนี้แหละบรรดาก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิบัติก่อนหน้าพวกเราที่ผมยกตัวอย่างมาตะกี้ใครจะฟาโรปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยถูกลงโทษมาหมดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ใช่ปัญญาเนี่ยมันมองภาพนั้นไม่ออก ว่ามาซาลมหูมุลลอและอัลลอฮ์มิได้ทรงอาธรรมต่อพวกเขาซาเลมอัลลอฮไม่เคยซาเลมใครหรอกครับไม่เสิงอัลลอฮไม่ได้อาธรรมต่อพวกเขาที่พวกเขาทำแบบนี้มันก็ถูกอย่างนี้อัลลอฮไม่ได้อาธรรมครับว่าล้กิงกาโนอัลฟุซาหุมยาสลิมู และอัลลอ์มิทรงอาธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองอันนี้เป็นต้นนะอ้าต่อมาครับเขาบอกว่าโทษมีกี่อย่างบนโลกดุนยาเป น, นี้สังเกตหนึ่งฟ้าผ่าจำได้มาเมื่อสีหปีก่อนตายสี่คนแล้วก็หมอมา คนแมวศาสนาทั้งหมดตายถูกฟ้าผากก่าคนเดียวตาสี่คนบริเวณใกล้ๆ ก, ลกันเนี่ยหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลเอาไว้หมอสนิษฐานว่าตายเพราะอะไรมีสายล่ อ, อฟ้าเต็มไปหมดมีตะกุดเต็มไปหมดนบีห้ามไม่ให้ใส่ใส่อะไร น, น, นะใส่ตะกุดใส่เหลดเที่ยมือเนี่ยนี่มันสายล่อ อ, อะไรล่รอฟ้าคนไม่นามานสายล่อ อ, อะไรอ่ะ รออาซาบใช่ไหมคนไม่นามาตคนทำดีนานี่สายลอออะไรลออาซาบอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่ไม่เอาศาสนาเนี่ยสายลออทั้งตัวเลยเนี่ยเนี่ยล่อลออาซาบอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยท่านมุสลิมเนี่ยต้องนึกตลอดเวลาเราตัวเราเองไม่มีสายล่อฟานาเราไม่มีสายลออาซาบอัลลอฮ์นะ เราเนี่ยทำอยุ่ิรล่อยสะอาดบริสุทธิ์ทาพัฒนาตัวเองมีตักวาต่ออัลลอฮ์ไอคนฝังขันน้นมีสายรอฟ้าเต็มไปหมดอัลลอฮ์ให้เห็นมึงส่ใส่สนู้นใสยนี้อัลลอฮ์เอาฟ้ามาผ่าตายจีสี่คนหน้าคนน้าท่วมครั้งที่แลว้วก็ตายไปเยอะพอสมควรไฟฟ้าช็อตตายไปนึกหรือเปล่านั่นเป็นการอาลลาบจากอัลลอฮ์สุภาณอูบนะานาล้ถ้าเราไม่อ่านกู่อานเราก็ไม่รู้ชแผ่นดินโซฟ้าพา แันดินไว้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นอาดาบทั้งหมดครับหรืออาดาบมาด้านอื่นๆซึ่งท่านทั้งหลายไม่รู้สึกตัวมันเยอะไปหมดเอาตัวมาครับฟาอัลบะุมไซอัตุมามิลู ฟาอซบาฮุม ا ت ُ م َ ا ع َ م ِ ل ُ و ูพวกเขาทั้งหลายความชั่วสซอาแปลว่าความชั่วที่พวกเขามาอาไมรู u, ที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ความชั่วอะไรบ้างที่พวกเขาประกอบอ่ะหนึ่งทำอะไรไม่ตรงตามสุนนะนบีอะไรอยากกินน้ำก็มันการยืนกินน้ำไม่อ่านบิสมิลลา นี่ไม่ตรงตามสุนนะอับบีล่ะนอนก็เหมือนกันไม่แปรงฟันก่อนไม่อ่ามน้ำนำมาบก่อนแล้วก็ไม่ยกมือขึ้นแล้วก็เปล่าอ่านอาุคกุณหัวลอสามกุไม่รูปทั้งตัวคุณนอนไม่เหมือนกับสุนนะอับบีทุนกลังทรยศต่ออัลลอฮ์อยู่เนี่ยเหมือนกันครรนฝั่งันรวกมืนกันทำชีวิตของเขาเนี่ยฝืนคำสั่งอลัลลอฮ์หมด แล้วก็พูดว่าไหนแล้วล่อม่เห็นลงโทษคำตอบมียังมีแล้วใช่ไหคุณรอตายอ่ะอยู่ไปสิจะเป็นจะกินแพะสกิรอยตัวคุณรอตายอย่างเดียวหรือไม่ก็รอการลงโทษจากอัลลอ์มาในรูปแบบที่คุณไม่รู้สึกตัวด้วยอลัลลอ์เมตตาพวกเราเยอะนะที่ให้กุรอานมาเนี่ย คนที่ไม่เชื่อคำสอนของนบีท่นี่พวกนี้นะมีสายล่อฟ้าทั้งหมดนะฟอัซอบะฮุมบิไซอาตุม า, ามีลูพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ประทำความชั่วนะครับที่พวกเขาได้ประกอบไว้ว่าฮากอบีฮิมฮากอบิฮิมอัซอบะนี่แปลว่าพบอ่า ให้พวกเขาพบกับความอะไรนะความทุกข์ที่พวกเขาทําความชั่วเอาไว้อลัลลอฮ์นี่นะคนที่ทําความชั่วนี่ยอลัลลอฮ์ประวิงไม่ลงโทษเนี่ยทาให้เขาลืมตัวเหมือนกันนะ่ะคนที่ทําความชั่วอยู่วันนี้และอลัลลอฮ์ไม่เรีบลงโทษเนี่ยทำให้เขาลืมตัวเหมือนกันไม่ลงโทษนะ่ะดีหรือไม่ดี ไม่ลงโทษทันทีทันใดนะ่ะดีหรือไม่ดีไม่ดีนะไอ้เราเนี่ยเอาเราเตือนบ่อยๆเตือนเรื่อยเดีวยวให้ลูกดื้อพอลูกดื้อแล้วก็นึกถึงคําสอนนบีเนี่นบีว่าไงนะมั้ยลูกคุณนะฮะว่าเชื่อเพื่อนห่างพ่อนั่นแหละสัญญาณมาแล้วนะเตือนนะนะลูกคุณนะไม่เชื่อคุณลูกสาวคุณนะไม่เชื่อแม่ เวลามีปัญหาไปคุยกับเพื่อนเนี่ยระวังระวังเนะ่ยเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าครอบครัวคุณจะมีปัญหานะเราต้องนึกอ่ะเพราะเราเชื่อนบีเพราะอบีสอนเราเอะ้าวลูกของคุ ณ, ค ณ, คณดื้อกับคุณอยู่ห่างพ่ออยู่ใกล้เพื่อนนี่เป็นเป็นสัญญาณและสัญญาณในดีสามีภรรยาทะเลาะกันบ่อยๆสัญญาณไม่ดีนะบ้านคุณนะแก้ไขซะพ่อนามาดแม่นามาดลูกไม่นามาดต้องนึก มาอะไรกันนี่เนี่คือเราเนี่ยมันมีอะไรนะมันมีอาลามัดให้ไหาอาลามัดอัลลอฮ์ส่งมาตลอดอยังพวกเราเนี่ยไอ้ผมง อ, อวเวลาดูกระจกเฮ้ยอาลามัดมาแล้วเอ้ยนี่แกแล้วนะแต่ฮัดยุดยังไม่เคยเอาเลยวันจันทร์พุหัตไม่เคยบวชมันต้องนึกกุณอานไม่เคยจับ จับปีละคระเดือนรอมาดอนและอีสิบเอ็ดเดือนทำอะไรดูละครถ้าเดี๋ยวนี้คนฟังศาสนาเยอะขึ้นนะเนี่ยงานที่ผมไปที่สงขลาเนี่ยพี่น้องมาจากปัตตานียะลาท่าทีวาัาโอ้ชั้นเนี่ยเริ่มนมาแล้วป่อนนมาทำไมอะไอทีวีเนี่ยมันดาแสบ <laughs> พูดนิ่มแต่ว่าดาแสบลุ พูดีมันนอนคิดเฮ้ยนอนมาลงนอนต้อ ง, งหันมาหาเอาศาสนากันเอาทำอย่างไรแล้วเราดูละครกี่ปีแล้วล่ะเราดูละครมากี่ปีแล้ ว, เ ล, ลวเลิกได้แล้วเอาต่อไปนะาห้ากบีหิมคนที่ทําความชั่วชั่วชั่วนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเขาต้องนึกห้ากบีหิมถูกล้อมไปหมดแล้ว ถูกล้อมเวลานึกต้องนึกว่าเราเนี่ยถูกล้อมถูกอาสาบถูกล้อมเราไว้หมดแล้วใช่ไหมอย่างเราเนี่ยถูกตำรวจมาล้อมบ้านเนี่ยชันปล่อยให้อยู่สามวัน <c oughs> มอไปทางซ้ายอันนี้ก็ล้อมชันอันนี้ก็ล้อมจะห น, น, นีไปไหนรอดเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองว่าห้ากวบื้อง ความชั่วที่คุมสะสมไว้ทําไว้ทําไว้ทําไว้อาซาบมันล้อมคุณไปหมดแล้วแล้วเป็นไงครับมาการูบีที่พวกท่านทําอะไรใครยัสตาจิูดูถูกเหยียดหยามเยียวยันเยียวยันอะไรเยยันเสียงอาจารจําได้ไหมปัญหาเกิดที่อคอนเทนเนอร์เสียงอาจร เ, เสียงหมาหอนถูกกระเด้งออกไปอยู่ที่อื่นแล้วอยู่ตรงเนี้ย เย่อเเสียงอาจารย์ของเอาบอก น, น่ะที่คอนเทนตเนนักเรียนเด็กมุสลิมนั่งอยู่ในอยู่ในอยู่ในในอ่น อ, ยน อ, ยนอยู่ในชั้นครูบอกว่าเสียงหมาหอนแต่เด็กก็เดินมาบอกผู้ราว่าเดินแค่เดินไป อ, อย่างเดียวน่ะหนีแล้วดูถูกคำสั่งอัลลอ์และไอ้กลุ่มที่ทำลายพี่น้องมุสลิมที่ทำลายกรุณอ่านมีไหมมี เขายังอยู่สบายอยู่เชิญตามสบายเจอะแต่ว่าอาดาบการทรมารล้อมคุณไว้หมดแล้วอลัลลอฮฺจะเล่นงานเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าล้อมแล้วที่คุณได้เหยียดยามที่คุณได้เยยยันท่านอย่าเยยยันสุน น, นบีอย่าเยยยันคุรฮาอย่าเยยยันพี่น้องมุสลิมคนทํางานของอลัลลอฮฺทั้งหมดนะว่าดูถูกก็จะมาเยียดยามเขาทําไมอันนี้เป็นต้นนะครับ อายะที่35หว่าก่อนแล้วทีน่อัลลอกูเลวชะอัลลอฮฺมาอับบดนะมินดุนีฮิมินชะอในวันในวันเกียมาเนี่ยหรือว่าตอนตายอ่ะนะตอนวิญญาณเนะี่ยถูกออกมนดะคนมุสริกเนี่ยคนที่ไม่เอาศาสนาคนฝังขนูน พูดอย่างงี้ผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์พูดที่บูชาเจเวตกล่าวว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ไม่ให้พวกเราเนี่ยบูชาเจเวตทําไมอัลลอฮ์ไม่ยับยั้งล่ะทําไมอัลลอฮ์ไม่ยับยั้งพวกเราไว้อย่าทําอย่าทําอย่าทํำนี่อัลลอฮ์ปล่อยให้พวกเราเนี่ยไปบูชาเจเวตแสดงว่าอัลลอฮ์พอใจใช่ไหย ใหพเราบูชารูปเจเบต ร, รูปปัน้นที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยอลัลลอฮ์ให้เราอเพรอลัลลอฮ์พอใจในตัวเราใช่ไหมนี่เป็นคําแก้ตัวของใครนะของคนที่ไม่เอาศาสนาผู้นี้มันนึกอย่างงี้อ่อนะัลลอฮ์จะมีความสามารถนะสร้างชานฟาได้ไหมได้สร้างแผ่นดินได้ไหมได้เอาตัวมนต์ัวมานเนี่ยอลัลลอฮ์สร้างมาหมดทําไมอ่ะสร้างเรามาแล้วยับยั้งเราไม่ให้ตกนรกก็บอก ก็ว่าอาลัลลยากาบูชาทิ่ทำไมไม่ยบยั่งละ่ะนี่ต่อว่าใครนะต่อว่าอาลัลละปล่อยให้ฉันบูชารูปจเวตมาตั้งทั้งชีวิตทำไมอลัลลอไม่ยบยั่งนี่อีกว่าใครนะว่าอาลัลลอย่ยงพูเรา้ที่เป็นมุสลิมวะเ น, นียที่ไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยถ้ า, าศาสนามันดีจริงมันก็ต้องรวยสิ ใช่ไหมถ้าศาสนาอิสลามมันดีจริงเนี่ยมันต้องรวยใครบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นแล้วต้องรวยทุกคนนบีอัลมหัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างร่นจนจนเ้ว่รวยอาแล้วนบีมีมีเงินน้อยที่สุดน่ะถามว่าจะเอาเงินนบีหาได้ไหมได้เอาเงินมาขาใครก็เคยก็หายใจนบีไม่เอาอ่ะนบีเขาอยู่แบบสามัคคีธรรมดาคนกาเฟก็เหมือนกันวันนี้นึก ปล่อยให้ฉันบูชารูปเจ้าเวททาไมทําไมไม่มายับยั้งทําไมมาทําลายรูปปั้นให้มันหมดไปเลยล่ะคําตอบก็คือเวลาฮารอมนารวมไปถึงนัฮานุเวลาอาบะอุนาบุตรบันพระบุตรของเราสมัยก่อนนั้นทําไมอัลลอฮ์ปล่อยให้เขาบูชารูปเจ้าเวททาไมแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามห้ามห้ามเนี่ยเราก็จะไม่ทำหรอก ถ้าอัลลอฮ์นี่ลงมายากยั่งกะดาษทกัฟะอัลลอฮ์ีนัมิงกอบลิฮิในทํานองนี้แหละบรรดาผู้ที่ปฏิเสธก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิบัตินี่ทำไมอัลลอ์ไม่ห้ามเขาล่ะจะมีเป็นตนอ่าถามว่าอัลลอ์ห้ามหรือไม่ห้ามงานเนี่ยห้ามอัลลอ์ห้ามเอาไวา้อัลลอฮ์ตอว่าไงดูดูดูกุราน ฟะฮ์ล عل <S <S <ess> ์ على الرسول إلّا البلاغ المبين บันดา ر س <وم> ู ل รสนที่อัลลอ์ส่งมาเนี่ยมาทำหน้าที่อะไรบลากบลือมุบ้ากตับลี ก, ม, ล ก, ลกมาทำอะไรมาตับรีกมาดาวานั่นยังไม่ห้ามเหรอ ที่ส่งรสูนมาแต่ตั้งกี่คนหนึ่งแสองมคนที่ไม่มีชื่อที่มีชื่อเท่าไรยี่25ท่านนะ่ะที่เอาลอดส่งมานั่นนะ่ะนั่นนะ่ะไม่ใช่มายาบยังไม่ให้คุณบูชาเจเวีตหรือเนี่ยลอดทามทีนี้เร า, ารู้ใช่มเนนีะ่วันส่งส่งรอซูลมาผู้ที่เชื่อเป่าไม่เชื่อส่วนคุณอ่านมามนเคยอ่านไหมนะ่ะมันก็ไม่เคยอ่านให้สุนัตนบีมุฮัมมัดมาเนี่ย ที่น บ, บีไอน บ, บีน บ, บีมือปิดปากเป็นโซน่นบีเข้าของน้ำโดยเท้าซ้ายเป็นโุน่านบีพวกนี้ไม่เคยศึกษาว่าน บ, บีมุฮัมมัดนั้นทําอะไรนั่นแหละเป็นการปกป้องอาซาบทั้งหมดรูปแบบของท่านน บ, บีทั้งหมดนั้นเป็นอะไรนะเป็นการปกป้องอาซาบทั้งหมดเลยนบีเข้าของน้ำโดยเท้าซ้ายปกป้องอาดาบนบีออกจากห้องน้ำโดยเท้าขวาแเราอ่านดูอา้าปกป้องอาซาบ นบีนอนเบื่อการแปลงฟันเรามีน้ําน้มาดเรายกมือขึ้นอ่านเป่าแล้วก็รูปทั้งตัวเป็นการปกป้องอาซาบนอนตะแคงขวาเื็นการปกป้องอาซาบเดินผ่านคูโบให้สลามเป็นการปกป้องอาซาบทั้งหมดพวกนี้เมื่ออัลลอฮ์ทรงรอซูลมาแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่เอาต่อต้านซุนน่า น, นบีใช่ไหมล่ะต่อต้านรอซูลใช่ไหม รว้วไปถึงญาตินบีทั้งหมดเนี่ยเอาเอาคำสั่งของนบีไปใช้ไหมไม่เใใคยเอาไปใช้กับคนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยรับอิสลามง่ายในสมัยนบีแต่ผู้ชายเนี่ยรับช้าหน้าดูเลยเพราะใจมันแข็งเนี่ยอัลลอฮ์ส่งอิสลามมาเนี่ยเพื่อพิสูจน์อะไรเยอะไปหมดเลยนะ <c oughs> จะท่านคนที่หัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ราซูลเนี่ย ปฏิบัติตามสุนาาัขนบีทั้งหมดเ็กปลอดภัยทุสิ่งทุงอย่างเลยอ้าวต่อมาคำตอบของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ส่งรอซูลมาแล้วพอแล้วนั่นแหละเป็นการยับยั้งไม่ให้บูชารูปจเจวตไม่ให้คนทำความชั่วโดยส่งนบีมุฮัมมัดมาและนบีก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดอีกกี่คนก็ตามฉะนั้น อัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากูวัดอิคติยาหวหรอาซาดีอามันภาษาอุนรู้นะสติปัญญาอิสระคุณจะคิดอะไรเชิญแล้วจะปฏิบัติอะไรก็เชิญให้อิสระในความคิดให้อิสระในการปฏิบัติฉะนั้นคนที่ฉลาดเดี๋ยวเขาจะเลือกอะไรที่อัลลอฮ์สรงผ่านนบีมาฉันจะเอาส่วนนี้ไปปฏิบัตินั่นคนฉลาด ไอ้นคนที่ไม่คิดถึงอัลลอฮ์ไม่คิดถึงสุนนะนบีที่จะเอามากำกับชีวิตคุณได้เป็นคนขาดทุนนะ่ะฉะนั้นต้อง น, นึกอะไรที่อัลลอฮ์ให้มาผ่านนบีมูฮัมมัดเป็นของดีทั้งหมดเรียกว่าสุนนะนบีเอานะครับอายาสุดท้ายวะล้ก็เดบะอัสนามิงฟิคุลีอุมมัติรอสูละ um นี่ไงที่อัลลอฮ์ส่งรอสูลมา แท้จริงเราได้แต่งตั้งบาสนาแปลว่าแต่งตั้งฟีกุลิอุมมตินในทุกยุคทุกประชาชาติมีอะไรครับมีรอซูนคนหนึ่งเาลาแต่งตั้งมานาบีกับนบีนี่ห่างกันเยอะอย่างนาบีมูซอซากับ น, นบีมมนห่าง ก, กันกี่ปีประมาณ500รปี แต่บางครั้งเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งนบีทีงมาสองคนพร้อมๆกันแต่เขอยู่คนละจังหวัดอย่างสรงนบีอิบรอฮิมานาบีลูดมาใช่ไหมมาช่วงเดียวกันเลยใช่ไหมอยู่คนละมุมอยู่คนยังอยู่น้องบอลอยูค น, นอยู่โน่ น, นอยู่อยู่ไรนะอยู่ภูเก็ตอย่างเงี้ยส่งมาทีองสองคนแต่บางทีอลัลลอฮ์ส่งนบีห่างกันนบีคนนี้ก็จะมีคนนี้ห่างกันถึงห้าหกร้อปีก็มี นี่อัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดนะฉะนั้นอัลล์เล่าเองนะวัาก็บารัสนาเราได้แต่งตั้งทุกยุคทุกสมัยมีผู้นำมีอลมุลามะมีนบีมาสอนสาศาสนาแต่ร้นวันนี้นบีมูฮัมมัดไม่มีแล้วล้วส่งใครมาก็ส่งอุลมามะมาใช่ไหมส่งอุลามะมาสอนมาสอนอะไรมาสอนกูรานนี่นะ แล้วก็มาสอนสุนทร น, านาบีให้ผู้คนได้รู้จักสุนทร น, นาบีเยอะๆนี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอยาคิดว่านี่มันมาโดยความบังเอิญน่ะไม่มีไม่มีอะไรบังเอิญนี่เสียมานั่งอยู่วันนี้น่ะไม่ใช่บังเอิญนะอัลลอฮ์กำหนดแล้วว่ามีแค่นี้แหละ ว, วันนี้ย <c oughs> ดีบางวันก็ทำโยลิละไม่มีเลยบางวันก็มีเยอะอัลลอฮ์กำหนดหมดไม่มีอะไรบังเอิญนะครับ ทนี้อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาแต่ละยุคแต่ละสมัยมาทำหน้าที่อะไรมาสอนอะไรคําตอบอินเนาะบุดุลลอจงอะไรนะจงพักดีต่ออัลลอฮ์คำว่าพักดีอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่นามา่างเดียวนะมารยาทอื่นๆเอาไปปฏิบัติด้วยอย่ายืนกินอย่ายืนกินน้ำอย่ายืนฉี่อย่าสุนัขนบีทั้งหมดนะย่ดามภรรยา ถ้าอาหาไม่ถูกปากกูแดกไม่ลงทำไมาต้องพูดด้วยล่ะพูดดีๆไม่ได้เลยก็สุนนขนบีนบีไม่เคยตบภรรยาไม่เคยด่าภรรยาไม่เคยตวาดภรรยาเนี่ยสุนัขนบีทั้งหมดเนี่ยอิเนี่ยอัลกุรอร์โจงอะไรนะจงปฏิบัติจงอิบดะดาต่ออัลลอฮ์สามีภรรยาเนี่ยนบีนบีเคยเข้าเข้าบ้านเอาเรือ่องครอบครัวก่อนภรรยาจ๋าที่รักจ๋าขออาหารทานหน่อย พญาต่อ ว, ว่าอาหารไม่มีนะวันนี้นั่นบ้านนาบีเห็นนะแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีน้ำส้มนบีก็พูดเลยนะพูดให้กําลังใจพยาเลยและเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสุดเป็นโุน่าด้วยนะเนี่ยมาเนี่ยมาตุลอีดามอัลขัลาะพระญาบอกว่ามีน้ำส้มนบีพูดเลยนะอีดามแกงที่มีเนี่ยหมัดแกงที่มีประโยชน์ แกงที่มีบราร์กัดอัลคอลลูแปลว่าน้ำสม้มฉะนั้นบ้านน่ะถ้าอาหารไม่มีทะเลาะกันเมียทาไมเถอไม่ทําอาหารทําไมอ่ะโอ้พูดมวนพูดนี้นบีลเลยอ้าวถ้าน้ําถ้าอย่างอื่นไม่มีมีน้ําส้มน้าส้มนั่นแหละเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดแล้วน้ําส้มวันนี้รู้ไม่อะไรอ่ะ <c oughs> น้ําประเชิงอ่ะ น้ำลุกยอเนี่ยลูงยอก็อได้นะลุงยอมากนะเห็นไหมเอาวันนี้ก็ชาเเกลือนเลยเนี่ยเอาโซน่านาบีเอาของที่นบีพูดกับภรรยาเนี่ยเนี่ยมาตุลอีดามอัลคอลล่แกงที่ดีที่สุดที่มีบราการที่สุดที่นี่เนี่ยมัดที่สุดก็คืออัลคอลล่น้ำส้มหมายถึงน้ำหมักน้ำส้มคือน้ำหมักท่านคนกินน้ำหมักสุขภาพแข็งแรง อยูต้นๆเห็นไหมฉะนั้นอันเนี้ยบุดุลล์จงไรนะจงพักดีต่อ a ล l a h วัจตานนบุตรปุแล้วก็จงออกห่างจากอะไรไชตอนในร่างของพวกเราเนะี่ยมีไชตอนอยู่ด้วยแล้วก็มีมะลายก้างอยู่ในร่างเดียวกันมะลายก้าก็อยู่ัชตอนก็อยู่เขาเรียกอะไรนะ เป็นเกรเป็นเพื่อนกันอยู่ในตัวและเราเนี่ยเป็นกรรมการจะเข้าข้างใครก็ได้วันไหนเข้าข้างสายตอนเยอะๆที่เกียรติน่าดูเลยเห็นใครก็มันใส่อยากจะตบอยากจะเตะอยากจะต่อยถ้าวันไหนเราเข้าเข้าข้างมาลาอิกาเยอะๆนะเห็นคนสงสารด้วยหมดเลยได้ยินเสียงแล้นะเออนั่งฟังดีกว่าโอ้ั่นเข้าข้างใครนะมาลาอิกะ ถ้าดูละครเข้าข้างใครเข้าชาตอ่อนเอาล็อให้เราเป็นกรรมการน่ะเข้าข้างใครก็ได้ก็ถ้าเราเข้าข้างมาลีกาชาติอ่อนแพ้ไหมล่ะเพราะเรากับมาลีกาชนะอยู่แล้วถ้าเข้าข้างชาตอนใครแพ้มาลีกาแพ้กํลาลังนอนนอนอยู่จะนอนดีจะนมาดดีชาตอนบอกว่าเย่าน้ำมาดอย่าน้ำมาดมาลีกาว่าน้ำมาดซีน้มาดซีแล้วเราเข้าข้างใคร ข้างมาลายกาดีกว่าลุกขึ้นน่ะแปลงฟรรันอาบนอน น, นมาดนมาดได้ถ้าฉันกูเชื่อชายตอนดีกว่าว่มามันนอนสบายก็นอนไปสิหไหม้มาฉะนั้นวัจตานีบุตรกุณอลาสังนะย่าอะไรนะให้ออกห่างชัยตอนนี่เวลาเจ็บเข่าทำไง นึกนึกถึงซุนานะนะเบนะเบเอามือขวาเนี่ยจับบนหัวเขาว่าแล้วก็ลูกบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์สามครัง้งแล้วก็อ่านอูซูบยอิสซาติลลาฮิวกุดลอตีมินซาลิมาอาจิดูวาอูฮาริรุฉันขอความคุ้มครองจากอำนาจของอัลลอ์ให้ฉันหายจากการ เจ็บปวดและสิ่งที่ฉันระวังไม่ให้ปวดนี่แหละวันนี้มันปวดและอัลลอฮ์ทำเงี้ยให้อ่านเจดครั้งพออ่านปั๊บไม่เห็นหายอัลลอฮ์โกหกไม่ใช่คุณต้องทำเองอ่กอะก็ว่าข่าวคุณอัลลอฮ์ให้มาให้ปวดมาตั้งห้าสิบปีนจะไมะ่ล่ะตอนนี้ไม่สบายอะ่ะเจ็บบ้างก็ต้องอ่านทุกวนันวันละห้าหครั้งก็ได้มีสาว บ, บ้านอาบีอยู่คนนึงอะ่ะ ทองเสียเล่าแล้วนะเล่าไม่นบีบอกทองเสียไปกินน้ําผึ้งกินวันแรกมายาโซล่าไม่หายนาบีไปกินอีกวันที่สองก็ไม่หายวันที่สามไม่หายพอโซล่าไม่หายนาบีบอกว่าอัลลอฮ์ Allah พูดในะเรื่องจริงทั้งหมดนะเพราะว่าน้าผึ้งเนี่ยรักษาให้หายแสดงว่าท้องคุณะมันดื้อยาพอวันที่สี่กินหายอะ่ะ มหานาบีหายแล้วฉันพูดแล้วว่าคำพูดของอัลลอ์นั้นไม่มีโกหกทองคุณทหาแล้วมันดื้อเพราะคุณทําบาปไปเยอะแค่นั้นของที่นบีสั่งอัลลอ์สั่งทาเถอพี่น้องเลยออาต่อมาครับฟามินฮุมันฮะดัลลอบางคนในหมู่มนุษย์เนี่ย อัลลอฮ์ี่ทางนำเขาคือให้มีอิสลามให้มีอีมาให้เป็นคนดีว่ามินหุมมันหักกัดอะไรฮิมุดบลาละและบางคนในกลุ่มหมู่พวกเขานั้นหลงทางมีไหมหลงผิดใช่ไหมหลงผิดชัดๆเลยพี่น้องตัวร้องว่าอิสลามมากุรานมา หัตดิสมาสุนานะนบีมาแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งไม่เอาศาสนาทีนี้พอมศาสนาไม่เอาเนี่ยผมว่าไม่ต่างอะไรกับกับแพะนัะ่นแหละนะเอาเอาลัลลอฮ์สั่งอีกฟาซีรูจงอะไรจงเทเวลอินเดแลนจงเดินทาง ตกลงว่าอยู่เฉยๆบ้านได้ไหมตามอาย่านี้เนี่ยไม่ได้เราต้องเดินทางอไปประจวบบางไปมีสินค้าไป ม, มีตนมาอยู่ที่อะไรนะจังหวัดจังหวัดต่างๆมีธุรกิจอยู่ฟาษีรูดเดินทางไปแต่เดินทางตรงนี้ควรจะไปในานามของอัลลอฮฺไปด่าวะเลยเออกจากบ้านฉันไปทำงานศาสนาของอัลลอฮฺแต่วักันตัวอัลลอฮฺเนียอย่างนี้เลยอย่าไปทำลาย ไปศาสนาของ Allah ฟซีรูฟิลอาดฟังจูรูไปแล้วต้องอะไรพิจารณาฟังจูรูเป็นพิจารณาจงดูอย่าไปเฉยๆแล้วก็ทำให้ไกลฟกากนานะอติบตุลมุกัซซีบินมุกัซซบคนที่ไม่เอาศาสนาคนโกหกคนที่ขัดควางอิสลามอาติบาหมายถึงผล ผลผลบ้านปลายบ้านปลายของคนไม่เอาศาสนาเป็นไงบ้างไปตรงนู้นไปที่เปรเมตนึกถึงใครฟาโรไปที่เดซีนึกถึงใค ร, sea, นใ ค, รคนเดียกฮอรโมเซ็กซลเชื่อนเาเราเนี่มันมีอะไรบ้างทีเ่เหลืออยู่เหลือจะซากซากๆากๆากซากซากช่า น, นต้องเอาศาสนาไปไปมักกะนึกถึงโอ้โหเนี่ย นางสารอวิ่งหานามดำๆอลอเป็นความดีมีใบตุลรองอยู่มันนึกอะไรยะอย่งนี้ไปต้นมันฝ่ซีรูเดินทางเดินทางไปค้าขายก็ได้นะค้าขายอย่าลืมนะอิสลามเนี่ยที่จเจริญมาถึงวันนี้น่ะไปกับพวกพ่อค้าก็เยอะ เอาสินค้าไปขายแล้วก็พาอิสลามไปด้วยแล้วไปสอนต่อไปนี่ก็ปลายทางนูน่ะพอได้ลูกมาก็ลูกไปมุสลิมสอนอิสลามไม่ด่าว่าต่อไปอีกต้องนึกเยอะอัลฮัมดุ ล, ลิลละเอาตกลงว่าอัลลอฮฺสั่งให้ท่านันะภาษีรูจงเดินทางไม่ใช่ท่องเที่ยวนะอย่าแปลว่าจงท่องเที่ยวไม่เอาเดินทางเพื่อทําธุรกิจเดินทางเพื่อเอผยแพร่ อ, อิสลามสองอย่างเนี่ยพอนะ เดินทางเพื่อไปติดต่อกับญาติพี่น้องเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัทเพื่ออิบาดาห์ทำไปเลยไอเนียดสกรปรกเล ย, ยไประหว่างทางไปตายทําไงอ่ะโอ้โล่นั่นน่ะตายแบบคนไม่มีาศาสนาเนียดสกรปรกนะ่ะต้องการจะเป็นนอนกะกิ๊กต้องการจะมาทำลายอิสลามอัลลอฮ์แล้วเกิดระว่าระหว่างไปตายไปก่อนอลัลลอฮ์ให้เกิดมาฟื้นขึ้นในวันเกียร์มะในสภาพที่ท่านพี่น้องเนียดออกจากบ้านเนียดอะไร ให้ขึ้นให้ฟื้นฟื้น ฟ, นฟนแบบนั้นฉะนั้นต้องเนียดใหม่แล้วฟาซีรูฟิลอาดีฟังรูรูท่องเที่ยวไม่ใช่ท่องเที่ยวจนเดินทางบนอาแผ่นดินแล้วก็จงพิจารณาว่าผลสุดท้ายของคนที่ไม่เอ า, าศาสนานั้นมีอะไรหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นบางอย่ามีแต่ของพารามเต็มไปหมดนะครับเอาละครับสุฮานะกอลลอฮ์ุมมัยวะฮัมดิกะ S il a s a d u a ل l إ ل l l a illa ada a s t a g h f i r t i سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته